ข้างหน้าเธอทำไมทาไมศิว่กายยักกล่าวอย่างนั้นศิว่กายยักษรู้ว่าถ้าท่านผูนี้ไปแล้วไปเฝ้าพระเจ้าแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันต้องระดมช่วยแนตะเป็นบุญไหม <Okay. S 1> ก็ลองคิดดูนะว่าแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเราจากมาฟังธทำเนี่ยให้คิดแบบท่านเนี่ยเราจะไปเฝ้าพระเจ้า ทุกย่างก้าวดีกว่าได้มาหนึ่งแสนช้างหนึ่งแสนมาอสดอนสาวน้อยประดับเพชรประดับต่างหูนี่นะสาววัยสิบหที่เขาจะยกให้เป็นคนคอยดูแลเนี่ยหนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่สิบหแห่งการย่างเท้าไปก้าหนึ่งเซี่ยวที่สิบหกนับยังไงเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกเนี่ยนับยังไงบุญนะ เอาบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิสมมติได้นะว่ากรณีบุญของพระเจ้าจากักรพรรดินี่นะหรือหรือจะแบ่งบุญนี่นะแบ่งออกมาเป็นสิบหกสิบหกครั้งผลบุญนี่นะออกมาเป็นสิบหกครั้งเอาเซี่ยวของที่สิบหกมามาแบ่งอีกสิบหกครั้งสิบหกขนในมงคลว่าง้ง สิบหกครั้งสิบหกขนเอามาซอยออกไปเรื่อยๆเนี่ยสิบหกครั้งสิบหขนก็ยังไม่ถึงบุญกุศลอันนั้นก็ยังไม่เท่ากับการที่จะย่างเท้าเพกแต่ละก้าวมีผลมากมีค่ามากกว่าอันนี้สงมีมากกว่ากันเยอะเลยถ้าถามว่าถ้าอยู่กบถ้าไม่ไปเฝ้าพระเจ้านะไม่ไปเฝ้าพระเจ้า เราได้สถานะก็คือได้ช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนม้าอัสดรหนึ่งแสนสาวน้อยประดับเพชรประดับต่างหูเนี่ยอีกหนึ่งแสนมีเงินมีทองอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในที่นั้นเลยแต่กับการไปเฝ้าพระเจ้าแต่และก้าวที่ก้าวไปแต่และก้าวที่ก้าวไปนั้นน่ยมีค่ากว่านั้นอีกเยอะมากทําไมมีค่าการเป็นราชาหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิก็ดี ปกครองแผ่นดินมีทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารก็ดีกับการเป็นพระเจ้าพระโสดาบันอันไหนบุญมากกว่ากันเห็นไหมเทียบกันไม่ได้เลยเพราะไปครั้งนี้ไปเพื่อฟังพระธรรมถึงแม้ไม่ได้อย่างเราเนี่ยถึงแม้เราก้าวเท้าไปเพื่อจะไปฟังธรรมเนอะถึงแม้ไม่ได้บรรลุวันนี้แต่ไปปกักตั้งอัธยาศัยที่จะเป็นปัจจัยการบรรลุในวัดตาข้างหน้าแล้ว มันดีกว่าการที่เราจะนั่งเฝ้าทรัพย์เป็นราชาหมหากษัตริย์เข้าใจไหมเนี่ยมันก็แค่จมอยู่ในวะตะัตฏะมันจะไปได้ดิบได้ดีอะไรทรัพย์เหล่านี้เดี๋ยวมันก็พังหายไปหมดแต่การไปตั้งอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกเนี่ยเป็นบุญยราบอันประเสริฐแล้วก็คิดให้เป็นอย่างเงี้ยคิดอย่างอนาถาบินฑิกาเนี่ยเหมือท่านก็บอกว่า อย่ากลับเลยอย่าถอยเลยให้เดินไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยอย่ากลับเลยทันใดนั้นเองความมืดก็หายไปแสงสว่างก็ปรากฏแก่นาถาพินิการเศรษฐีก็ได้กำลังใหญ่หมสมาธิพุทธคุณก็ฟุบเข้ามาอีกแสงสว่างก็เกิดทันทีเลยเดี๋ยวนี้อย่างเราไม่เอาแล้วขนหัวลุกงิยังไงเดินกลับดิชุดไม่ไปใช่ไหมอย่างเราเนี่ยเดินกลับท่าเดียว ไม่ต้องกลางคืนแล้วใครใครจะไปกลางคืนเนี่ยนี่ท่านไปเลยท่านเก่าในยาอเป็นสหายเก่าแต่ว่าไม่ทราบเป็นหรือเปล่าแม้ครั้งที่สองก็เป็นอย่างนี้อีกแหละํำ ท, ท่าจะถอยอีกางไเี้ยก็มีเสียงแบบนี้ครั้งที่สามแสงสว่างหายไปอีกความกลัวความขนพองสยองเก้าก็เกิดขึ้นมาอีกตรงนี้นะ ถ้าเราท่านทั้งหลายนี่เนะี่ยเกิดขนพองสยองก้าวเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นบุคคลที่เราควรจะคิดถึงคือใครให้คิดถึงพระเา้าถ้คิดถึงพระเจ้าแล้วความกลัวความขนพองสยองก้าวก็จะหายอันตรธ า, านไปเนะี่ยคิดให้เป็นตรงนี้ได้มุมแล้วในชีวิตของเราเนี่ยถ้าไปไปศพอุบัติเหตุหรือไปตกระกรรมลําบาก หรือไปเกิดในภาวะรับขันแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้รถชนคิดถึงใครใ<ช>เออนหยคิดเลยให้ตั้งมั่นเลยไม่ใช่ว่าไปคิดถึงคนอื่นนั่นแหละให้ตั้งหลักให้เป็นอันนี้จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งได้ความกลัวความขนบองสยองเก่ามันจะหายไปงั้นคนที่ฝึกคิดเขา้าไว แม่ชีครั้งหน้านี้จะต้องไปประชิญกับพญาแมาจุราดไหมแล้วเตรียมตัวไว้ยังพุทธคุณเนี่ยอมหัระมหัดแท้เตรียมให้แข็งแรงกว่านั้นใช่มวันวันหนึ่งคิดถึงพระเจ้าถึงชั่วโมงไหมถึงไม่ถึงเอาเอาแค่ชั่วโมงก่อนถึงไหมคิดแล้วรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยคิดถึงพระเจ้าถึงชั่วโมงไหม ไม่ถึงน้อยไปไหมวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าชาวพุทธวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยกว่าหกชั่วโมงชาวพุทธคนนั้นมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมสแสดงว่ามองเห็นอะไรแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยปรากฏในใจเลยเนะี่ยมีปัญหาแล้วนะถ้าไ ป, ปเผชิญหน้ากับจุราต์แล้วท่านจะสู้เขาอย่างไรถามตัวเอง เอาว่าจริงไหมมีปัญหาแน่ๆเพราะน้อยกว่าหก ช, ชั่วโมงเนี่ยขนาดหกชั่วโมงนี่ยังยังห้าสิบห้าสิบถ้าใครคิดได้เกินหกชั่วโมงเนี่ยนะก็เริ่มจะได้หกสิบเจ็ดสิบก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ถ้าต่ำกว่าหกชั่วโมงเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงแล้วเนี่ยต่ำกว่าหกชั่วโมงเนี่ยอยู่แค่สี่สิเปอร์ซ็นสามสิเอร์ซ็นตของชีวิตเนี่ยนะก็เรียบร้อยโอกาสแพ้สูงมาก ฝากให้คิดแล้วเอาไปทำสียนี่ต้องอันนี้เป็นเป็นหลักการชาวพุทธต้องคิดเป็นนะบางคนเนี่ยก็คิดตกกระดาพลอยโจรก็ก็ร้องเรียกพุทธเจ้าอยู่ไหมนะเขาเขาจะร้อง น, นะถ้าอย่างเช่นอุบาสิกาซึ่งเป็นภรรยาของพรรมที่บอกว่า จะหกล้มก็ดีตกใจก็ดีกันนะโมทโโัสสะภควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้เลยเนะื้อขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค้ า, าพระองค์นะอุทานยาวหน่อยดีไหมใช่ไหมอุทานเนนอบน้อมพระเจ้าอยู่ที่ทุกแห่งไแปลว่าใจก็ผูกพันกับพระเจ้าถ้าอย่างงี้เขไม่กลัวหรอกเจริญยากไหมพุทธคุณไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงคิดถึงพระเจ้าบ่อ ย, อยๆเท่านั้นเองใช่ไหม นี่เราไม่คิดถึงเนี่ยเอางี้ดอกไม้ถวายดอกไม้เราเห็นความงามของดอกไม้ไหมถามว่าดอกไม้ที่ถวายเนี่ยเขาบูชาอะไรบูชาความงามของพุทธคุณจากการถวายดอกไม้เนี่ยเป็นพุทธบูชานี้ใช่ไหม ขอให้ข้าพเจ้าได้ความงามของพุทธคุณในที่ทุกที่ในที่ทุกสถานในการนุ่เมือ่อคือพุทธเจ้าเนี่ยสัตว์โลกมีประมาณท่าโลกธาตุมีจำนวนเท่าไหร่พุทธญาณก็มีเท่านั้นใช่ไหมพุทธญาณมีเท่าไหร่โลกธาตุก็มีเท่านั้นโลกธาตุกับพุทธญาณ น, นั้นมีความสมดุลกันและกันก้ำกึ่งกันและกันนีไม่ร่วงไม่ร่วงเกินกันและกัน แปล ว, ว่าจำนวนสัตว์โลกมีประมาณเท่าไรพุทธยานก็ต้องมีเท่านั้นด้วยเข้าใจคำนี้ไหมสังขารลโลกโอกาสโลกสัตวโลกในหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นดอกไม้ในจักรวาลทั้งหลายก็มีหมดดอกไม้นี่เราเป็นดอกตัวแทนของดอกไม้ในจักรวาลทั้งสิ้นได้ไหม เพื่อจะประดับบูชาพุทธคุณพุทธญาณของพระเจ้าซึ่งมีมากมายขนาดนั้นน่ยเห็นดอกไม้นะที่ไหนก็เห็นความงดงามของพุทธญาณพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมพระบรมศาสดาจึงต้องประดับศรีระคุณมหามหาปุริสระขนาดสาสิบสองประการและนุพยาญชนะแปดสิบประดับไว้อย่างสวยงามด้วยหนาาของกุศลกรรมบอเป็นต้นอย่างละเอียดอย่างประณีต ที่กระทํามาทั้งเสียสงไข่ทั้งยี่สิบประสงค์ข่ ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับทําไมเพื่อต้องการประดับพุทธสรีระคุณน่ยให้มีความงามมีพระเนตรที่งามมากมีพระชงงามมีพระนาสิกมีพระการมีพระโอทมีพระเมาลีใช่ไหมมีพระขนงมีพระปาหาลำประสงดงามอย่างยิ่งทุกอนุของร่างกายของพระุทธเจ้านั้นประดับมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นแล้วเกิด ศรัทธาเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นติดข้องในรูปมากกว่าอย่างอื่นเมื่อเห็นพระรูปของพระเจ้าแล้วจะได้ศรัทธาเชื่อมั่นและจะได้น้อมไปเพื่อจะฟังพระธรรมและจะได้บรรลุแม่พระเจ้าประดับรู ป, ปรกายไว้เนี่ยเพื่อพวกเราโดยแท้ฉะนั้นเวลาเราบูชาเนี่ยด้วยดอกไม้เนี่ยหนึ่งบูชาสรีระคุณด้วยที่มาจากกรรมที่ประณีตสองบูชาพุทธานทั้งหลายที่หาประมาณไม่ได้ด้วย ปริมาณดอกไม้มีเท่าไรในจักรวาลทั้งหลายก็จะประมวลมาในใจเนี่ยนะโดยเอาดอกไม้นี่เป็นประธานบูชาพุทธยานของพระเจ้าพุทธคุณของพระเจ้าทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าทำอย่างนี้เห็นคุณไหมแบบนี้จะได้น้อมเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้อนาถาินิกาเศรษฐีเนี่ยนะท่านก็คิดว่าจะกลับ แม้ครั้งที่สามสีวกายักษ์ที่ไม่ปรากฏร่างก็ได้เปล่งเสียงนะบอกช้างหนึ่งแสนม้าหนึ่งแสนรถม้าอัสดรหนึ่งแสนสาวน้อยประดับตา่างหูเพชรอีกหนึ่งแสน hed. ก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่สิบกแห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่งเลยเชิญก้าวไปข้างหน้าเธอท่านคือบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเธอท่านเคบดีท่านข้าก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยกลับเลย ก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยกลับเลยถ้าตอนนี้ก็มาเชิญชวนพวกเราก็บอกว่าท่านทั้งหลายเวลาฟังธรรมเนี่ ย, ยออตั้งสติให้ดีอย่าหลับใช่ไหมการตั้งสติในการที่จะฟังธรรมเนี่ยดีกว่าได้อะไรเนี่ยช้างหนึ่งแสม้าหนึ่ง0สนรถม้าอัสดรหนึ่งแส น, า, ส น, น, นสาวน้อยประดับเพชรประดับต่างหูหนึ่งแสนก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่16แห่งลืมตาตื่นขึ้นมาฟังธรรมเลยอะ่ะ หลับทำไมเข้าใจไหมชีเข้าใจคำนี้ไหมอันเดียวกันนั่นแหละอัฏถะแล้วอ่านให้เป็นเวลาศึกษาคำสอนนะ่ยถ้าคิดมุมไม่ได้เดี๋ยวก็เรียบร้อยอะไรตัวเนี้ยเราไม่เห็นประโยชน์ไงว่ามีประโยชน์มากๆแม้ครั้งที่สามความมืดก็หายแสงสว่างก็ปรากฏแก่นาถาพินิกข์เศรษฐีความกลัว ความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวอันใดได้มีแล้วอันนั้นได้ก็สงบอนณาถาปินธิกาเสถีเดินไปที่ป่าสีตะวันแล้วขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นจองกรมนะเวลาปัจจุดสมัยแห่งราตีปัจจสมัยก็คือปัจชิมยามนั่นเองทอดพระเนตรเห็นอนณาถากราบบดีเดินมาแต่ไกล คันแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมคือที่จงกรมเนี่ยเขาจะประชาชนทั้งหลายบางทีก็เป็นสมณี น, น, นไปตกแต่งถวายพระเจ้าหรืออุบาสกบาศิกาพระเจ้าก็เลยเสด็จจงกรมไปมาทำไมพระเจ้าต้องเสด็จจงกรมด้วย ท, ทั้งทั้งที่บรรลุแล้วทาอียาบทให้สปายานนั่นเองนะแล้วเราตอนเช้าตื่นขึ้นมาเดินจงกรมกันบ้างว่าเดินไหม ไม่เดินเลยนี่ก็จะคลานออกจากที่นอนได้โอ้ตะวันขึ้นเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราการอนุตาไม่ค่อยมีเนาะเวลานี้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟังธรรมเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสอบถามเวลานี้เป็นเวลาแห่งปริปุชฌาเลย เวลานี้เป็นเวลาแห่งการใดๆเนที่เราจัดสรรเวลาเวลานี้เป็นเวลาแห่งเจริญกรรมฐานเวลานี้เวลาฟังวัตธรรมเวลานี้เป้าเรทโธคือทําให้เป็นกิจจาสิทาให้บัญญัตการยูอ่การ ย, ารยูรู้จักการครั้งนั้นนะ่ะนะพระพุทธเจ้าก็นั่งประทับณอาสนะที่ปูรา่าได้ตรัสกานาถาพิณิกาเศรษฐีมาเธอสุทัตต ะ, ะเรียกเลยนะ ันไม่รู้จักชื่อกันเลยเนี่ยนะไม่เคยเห็นหน้ากันเลยพระเจ้าทําไมเรียกชื่อถูกทันใดนั้นเองอนาถาปินทิกาเศรษฐีเบิกบานใจดีใจว่าพระพุทธเจ้าตัดเรียกชื่อเราแล้วไม่ได้เรียกอนาถาเลยเรียกชื่อเดจริงๆเลยใช่ไหมเชื่อใจไหมทว่าเจ้าเรียกเรียกชื่อแบบนี้สําคัญว่าเรียกเราก็แล้วกันสําคัญว่าเจ้าเรียกเราแล้วก็เข้าไปเฝ้าซบศีรษะ ลงแท้พระบาทของพระพุทธเจ้าทูลว่าพระองค์ประทับสํารานหรือพระพุทธเจ้าข้าอันนี้ก็แลกได้โอ้โหดีใจมากนะได้ได้ทักกับ พ, บพระพุทธเจ้าเวลาไปกราบที่พระพุทธเจดียต้นวสีหมหาโพธิ์เราทักพระพุทธเจ้าอย่างนี้บ้างหรือเปล่าทักในใจบ้างไหมพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระทา่าแห่งพระบรมสารีเดกะทา่าใช่ไหม เราไปสบสีสระลงแทบพระบาทของพระเจ้าแล้วทักพระเจ้าในใจบ้างไหมทักดีไหมว่าพระองค์ประทับสําลาลหรือพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยใช่ไหมพระพูทธพระเจ้าตรัสตอบนะพราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเวลาพระเจ้าก็จะตอบเราอย่างนี้เลยคือว่าพระบรมศาสดานั้น่ะดับทุกข์ได้แล้ว พระศาสดาดับชาติทุกข์ได้หรือยังดับได้หรือยังชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์พระพุทธเจ้าดับความโศกความล่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจได้แล้วพระเจ้าไม่มีทุกข์เพราะการแสวงหาไม่มีทุกข์เพราะการรักษาจึงไม่มีทุกข์เพราะการแปลไปแล้วฉะนั้นเราไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะเทศบอกเราเดียวนั้นแหละ ว่าพราหมณ์ผู้ดับทุกได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเวลาผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามไม่ติดอยู่ในวัตถุกามไม่ติดด้วยอำนาจของกิเลสกามอะไรคือกามรวบเสียงกิดลอดสัมผัสเนี่ยเป็นกามตาหูจมูกริ้นกายใจเนี่ยเป็นกามขันห้าเนี่ยเป็นกามขันสี่ขันหนึ่งเนี่ยเป็นกามกามประพบรูปประพบและรูปประพบเนี่ยเป็นวัตถุกาม กิเลสคือราคาโทสะโมหะทั้งหลายที่ไปยึดโยงไปยินดีไปติดข้องในสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นกิเลสกามบุคคลที่ไม่ติดอยู่ในกามมีใจเย็นไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสปูปธิอุปธิคือกิเลสราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกานนตปาอุทตจะไม่มีแล้วไม่มีอภิสังขารูปธิ เจตนาที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นอาปุญญาภิสังขารไม่มีแล้วปุญญาพิสังขารก็ไม่มีเจตนาที่เป็นไปกับบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจตนาที่เป็นไปกับรูปกุศลก็ไม่มีแม้แต่เจตนาที่เป็นอนเนนชาพิสังขารที่เป็นไปกับรูปประสุสกุศลก็ไม่มีเจตนาที่จะเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในการมประพบรูปประพบและรูปภพบเนี่ยตถาค ต, ตไม่มีแล้วไม่มีอภิสังขารูปนนที่แล้ว ไม่มีขันธูปทิคือรูปขันธเวทนาขันธสัญญาขันธสังขารละขันธการที่จะได้ไปเกิดเป็นขันธห้าขันธสี่ขันธหนึ่งในการมาพบรูปมาพบและรูปมาพบไม่มีแล้วไม่มีกาโมปทิอุปทิคือกาบฉะนั้นบุคคลที่ดับอุปทิไม่มีอุปทิแล้วเนี่ยตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วบรรเทาความกังวลก歪ใจได้เนี่ยถึงความสงบแห่งจิตเป็นผู้ระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขไหม อยูเป็นสุขก <g år> ็ทําให้ได้อย่างเราซิเนี่ยบอกอย่างนั้นเน <g år> ี่ยเธอก็ทําให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าสินั้นเวลาไปกราบทูลพระเจ้าว่าพระบรมศาสดาทรงพระสํารานไหมเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกกับเราคําเนี้ว่าพราหมณ์ที่ดับทุกได้แล้วเนี่ยนะพราหมณที่ดับทุกได้แล้วเนี่ยยอมอยู่เป็นสุขทุกเวลาเนะยผู้ใดไม่ติดในกรามตอนนี้เราติดอยู่ไหมโอยติดในบ้านในรถในทรัพย์ในอะไรเยอะแยะ ติดข้องในตาหูจมูกลิ่นกายใจในบุตรในภรรยาในสามีโอ้โหเยอะแยะในยอดขาบรรดาสัตว์ในการนอนการกินอะไรกับรู้ติดกันในนุ่งนางไปหมดใช่ไหมแล้วอย่างนี้เราจะเป็นผู้มีใจเย็นได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วก็วนก็วายกันอยู่นั่นแหละก็เสือกระสนดิ้นรนเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้มันไปเฝ้าพระเจ้าบ่อยๆพระเจ้าจะได้อบรมพระเจ้าได้สั่งสอน แต่สำคัญไม่ยอมไปถามพระเจ้าพระเจ้าเขาไม่ยอมบอกถามไม่ออกเห็นไหมคนที่เขาไปฟ้าพระเจ้าไปว่าเขามีข้อมูลไหมมีไม่มีถ้าไม่มีข้อมูลไปนั่งเอ๋อไหมนั่งเอ๋อเลยไม่รู้คิดไม่ออกฉะนั้นก็หาคนที่รู้ข้อมูลไปนำเราด้วยเวลาจะไปที่ไหนอ่ะเขาจะได้นำเราจะได้คิดออกเวลาไปกราบพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายเนี่ย ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าจะได้บอกจะได้กล่าวจะได้บอกจะได้สอนทั้งนี้ไปก็เลยนั่งมึนเลยทั้งนี้คิดไม่ออก mm. ไม่รู้จะถามพระเจ้าอย่างไรตั้งคําถามก็ไม่ถูกแล้วพระเจ้าจะสอนเราไหมก็ <laughs> เธอไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะสอนกวดคนที่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธา <laughs> ต้องมีศรัทธาเท่านั้น <laughs> <laughs> คนมีศีลหรือทุศีลก็ไม่แยกใน ปุคลาพโรปรัญยุตาเขาแยกยังไงมนุษย์นี่มีสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่ปรารถนาอยากจะเห็นหรืออยากจะฟังธรรมของพระเจ้ากับกลุ่มที่ปรารถนาจะเห็นพระเจ้าอย่างเราอยู่กลุ่มอยากเห็นพระเจ้าหรือไม่อยากเห็นอเออได้แล้วนะกลุ่มที่นั่งนี่อยากเห็นกันหมดเลยนะฟังแล้วน่าชื่นใจอยากเห็นทุกคนม อยากเห็นพระเจ้าใช่มหมเอาเมื่ออยากเห็นแล้วเนี่ยนะก็มาแยกอีกสองอยากเห็นแล้วอยากฟังธรรมของพระเจ้าหรือไม่อยากฟังธรรมอยากฟังนะไอ้กลุ่มที่ไม่อยากฟังก็ถูกตาหนิไปแล้วนะกลุ่มที่อยากอยากฟังก็ปรารถนาจะฟังก็ถูกสารเสวนไปเนี่ยกลุ่มที่อยากจะฟังก็มาแยกว่าตั้งใจฟังกับไม่ตั้งใจฟังอยู่กลุ่มไหน เดี๋ยวไปยแยกเลยแต่เนี้เริ่มแยกแล้วท่าชี้โยกรมไหนตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังยังไม่หลุดใช่ไหมตั้งใจนะไม่มีหลับไม่มีเผลอเลยนะอะตั้งใจค่อ้กลมกลมนั้นก็ถูกตําหนิไปกลุ่มที่ไม่ถูกตั้งไม่ตั้งใจฟังอะไม่มีนะที่นั่งอยู่นีนะตั้งใจฟังหมดเลยนะถ้าคอยดูใครจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ถึง <laughs> กลุ่มที่ตั้งใจฟังเนี่ยนะกลุ่มที่จําได้กับกลุ่มที่จําไม่ได้อยู่กลุ่มไหน ย, ย้อนถามนะว่าจำได้หรือไม่ได้อา้าวแล้วอยู่กลุ่มไหนทรงจำหรือไม่ทรงจำเอาแล้วชักงีง ง, ง, ง, องอแล้วแต่เนี้เสียงเริ่มหายไปแล้วใช่ไหมกลุ่มที่จำไม่ได้ก็จะถูกตาหนิไปว่าฟังยังไงถึงจำไม่ได้ฟังยังไงแสดงว่ามันที่จริงมันเสียมาตั้งแต่อันแรกนั่นแหละบางทีอะฝืนมาแล้วใช่ไหอันนี้ฝืนมาเนะเข้าไปไม่ถึงดวงดาวหรอก นี่กลุ่มไม่ไ ม, ไม่ฟังไม่จำไม่ได้กับกลุ่มที่จำได้นี่กลุ่มที่จำได้แล้วก็มาแยกนะมาแยกกับกลุ่มที่ทรงจำมาแยกเป็นสองส่วนกลุ่มที่พิจารณาและไม่ได้พิจารณาจำได้แล้วเอามาพิจารณาและไม่พิจารณาแล้วอยู่กลุ่มไหนจริงเลยเริ่มเหลือน้อยแล้วนะแต่เนี้ยนะฟังแล้วมาพิจารณาใกล้กลุ่มหนึ่งฟังแล้วไม่พิจารณาฟังก็แค่จาอย่างเดียวพอแล้ว แค่นี่ก็หนักพอแล้วยังจะให้มาตรึกมาตรองมาไขาควนมาวิจัยอีกโอ้ไม่เอาแล้วหนักเหลือเกินทีนี้กลุ่มที่พิจารณาก็ไม่แยกเองแยกแบบพิจารณาแล้วเข้าใจอัฏฐะแล้วเข้าใจพระธรรมได้อย่างชัดเจนกับกลุ่มที่พิจารณายัางไงก็ไม่เข้าใจอยู่กลุ่มไหนเรีบบบ <c oughs> ยบร้อยแล้วจิง อาอไปแยกไปอีกแต่เนี้ยเมื่อฟังแล้วพิจารณาแล้วเข้าใจใช่ไหมมาแยกบอกว่าปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติทมตามสมควรแก่โลคุตราธรรมปฏิบัติทมพอเป็นเหตุแก่การจักบรรลุได้กับไม่ยอมปฏิบัติอยู่กลุ่มไหนเห็นหรือยังถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้รู้เราอยู่กลุ่มไหนเราอยู่กลุ่มไหนกันแน่ จะได้รู้จักบุคคลรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเะถทีว่าอ๋อแท้ที่จริงไอ้เรามันคนนี้เองมันเป็นแบบนี้มันจะได้แก้ไขใช่ไม้มถ้าไม่รู้จักตัวเองจะแก้ไขได้ไหมตอนนี้รู้หรือยังมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีศรัทธานะหน้าเป็นห่วงกัน แต่ไม่เป็นไรพออย่างนี้เราก็เริ่มจะเพิ่มได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ให้รู้จักอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักเราจะไม่ยอมพัฒนาตัวเองแล้วแม้ครั้งที่สามนะตอนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าหลังจากถามเออหลังจากให้โอว่าจะพรามพูดดับทุกได้แล้วยอมอยู่เป็นสุขแม้ทุกเวลานะผู้ใดไม่ติดในกามคือวัาถุกกามกิเลสกามมีใจเย็นไม่มีอุปธิ มีขันธูปทีเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วบรรเทาความกวนกวายใจไอ้กวนกวายใจเนี่เป็นชื่อของราคะโทสะโมหะมานาทิถิวิจิกิจชาฮิริกาโนทะปาเนี่ยเนีเป็นความเร่าร้อนมากเป็นความกวนกวายใจมากไฟอะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนะ่ต่อไปไอ้ไฟ11กองก็คือชาติชราโมรณาโสกกาปฏิเทวะทุกขโทมนาเสวปลายาตอันนี้คือไฟนะ แล้วไฟเนี่ยมันเผาเราอยู่ตลอดเวลานะทางทาวารตาหูจมูกเล่นกายใจไปดูในอาทิตต์แต่ปริยัยิสูตรติดูก่อนพิกูุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนน่ะดูก่อนพิกูุทั้งหลายก็อะไรเล่าคือสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนน่ะตาเป็นของร้อนไหมโยหูเป็นของร้อนไหมทำไมมาตาสวยหูสวยกันอย่าตาเป็นของร้อนสีอ่ะสีก็เป็นของร้อนจากคุณาณเป็นของร้อนไหม จากขูดสัมผัสเป็นของร้อนไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาและสุขทุกขมรสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนไหมร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาไหมเห็นแต่ละครั้งนี่ราคะโทสะโมหะเกิดไหมสามตัวเกิดสังเกต ด, ดูที่ไม่กำหนัดก็ขัดเครืองไม่ขัดเครืองก็ลุ่มหลงไฟเผาตลอดเวลาเนี่ย กรรมเกิดขึ้นอย่างเดิมนี่เป็นอคติรกรรมแล้วพุทธเจ้าบอกว่าใช้เหล็กแหลมแทงตายังมีความสุขมากกว่านี่กว่าการทําให้ราคาโทสามห ه เกิดราคาโทสาม وها เกิดจะดีอะไรถ้าถ้าอคติรกรรมส่งผลในขนาดนั้นใจขาดในขนาดนั้นน่ะก็ได้อบายทุกติวิบากนรกแต่ถ้าเหล็กแหลมแทงตามันปวดเฉพาะปัจจุบันนภพมันไม่ไปปวดในอ่ยบายภพเนะ เพราเราเกิดความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงในขณะที่มองเห็นสีเนี่ยลมให้ใจขาดในขณะนั้นมีทุคตินิมิตปรากฏก็ลงอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วมันจะดีอะไรใช่ไหมมันจะดีอะไรเหล็กแหลมแทงตามันปวดแค่ชีวิตเดียวแต่การไปตกนรกนั้นเป็นกลับเป็นพุทธันดรเนี่ยมันเจ็บปวดเนะมันเจ็บปวดได้ยินเสียงแล้วกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงก็เหมือนกัน ใช้เหล็กแทงหูทะอรยังมีความสูงมากกว่ามันก็เจ็บแค่ชาติเดียวใช่ไหมเจ็บปวดไหมอย่างเงี้ยเวลาสอนแบบนี้เจ็บปวดไหมก็ไปดูในอาทิตย์ปริยาญาี่ในสังยุตในพระเจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆเราเห็นเห็นสิ่งที่ยินดีเพลิดเพลินก็กำนัดพอใจในพอใจเนยก็ขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลง ถ้าทุกขกตินิมิตรปรากฏถ้าลมหายใจขาดตอนนั้นนิมิตไม่ดีจะปรากฏไหมปรากฏ롱อบาลไหมเนี่ยนานไหมโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกยากไหมเนี่ยไม่เช้าก็ดูไอในในนิริยะในนิริยะคาถาคาถาพูดในเรื่องของนิริยะภูมิโอโหดูแล้วน่าทรมานจริงนี แล้วเราปิดอบายภูมิกันไม่ได้ทำไงเนี่ยแล้วสภาพอินทรีย์ก็อ่อนแอกันขนาดนี้ดาวเงน่ากรุณาตัวเองั้มเนี่ยกลัวไหมเดินกุศลให้เต็มที่กันแล้วกันคิดถึงพระเจ้าให้ได้เกินกว่าวันละหกชั่วโมงเร่งเลยนะแปลว่าคงสุดท้ายหรือยังเนี่ยคงสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเป็นวิ่งไม้ผัดก็เป็นรอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมรอบสุดท้ายแล้วลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุภูรีกรถาแก่อนาถปิณิกาเศรษฐีพูดเรื่องทานอถาสีลัถาสาาถาักขะกถาการมาทีนวะกถาเนคขามานิสังส ก, กถาพูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องการ ม, มาทีนวะกะโทษของกาม ของกามความต่ํำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเราพอพูดถึงทานกุศลเนี่ยในยุคนี้มั่นใจไหมเราเดินทานกุศลถูกถูกไม่ถูกถูกใช่ไหมดอกไม้นี่เป็นวัตถุทานหรือเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นดอกดอกไม้เป็นเจตนาทานเป็นอโลพาทานหรือเป็นวัตถุทาน เป็นอะไรเป็นวัตถุทานใช่ไหม